ในพุทศาสนานี่มันจะมีอยู่สองสองประเภทนะก็คือว่ากรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมนิมิตก็คือว่านิมิตหรือภาพที่เกี่ยวกับกา ร, กรทาในอดีตนะกรรมนี่ในนหมายถึงการทำในอดีตในอดีตนี่ไม่ได้หมายถึงอดีตชาตินะแต่หมายถึงว่าในช่วงที่ก่อนที่เราจะเจ็บจะป่วยเนี่ย อาจจะย้อนไปถึงวัยเด็กก็ได้แล้กรรมที่มิตรที่ปรากฏเนี่ยอาจจะเป็นภาพหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทาที่เราได้เคยทําอย่างเช่นคนที่คนที่ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างที่เราก็มักจะได้ยินว่าคนที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าสัตว์เนี่ยเมื่อเมื่อกล้จะตายก็จะเห็นภาพพวกนี้ ภาพสัตว์หรือว่าภาพที่หรือเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ที่ที่เขาฆ่านะหรือว่าใครที่ทำความดีไว้ก็อาจจะเห็นภาพความดีที่ตัวเองได้ทำหรือว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความดีที่ที่ได้ทำเอาไว้อาจจะเป็นท้องฟ้ายามสงบอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่มันก็มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพภาพที่ที่เราที่เราได้ได้เห็นได้ได้เคยทา ซึ่งนี้เนี่ยมันจะปรากฏชัดนะกับคนที่ใกล้าตายเป็นส่วนใหญ่หรือว่าจำนวนมากซึ่งอันนี้มันก็ไปตรงกับที่ฝรั่งเนี่ยนเขายอมแล้วเราก เ, เรียกว่า life review life review ก็คือก็คือว่าการที่ยบทบทวนย้อนกลับไปสู่ชีวิตในอดีตความรู้สึกมันเหมือนกับว่ากลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใหม่แล้วก็มันเหมือนกับอาจจะคล้ายๆกับเป็นหนังใช้หนังซ้ำในะช้หนังซ้ำอนะ แล้วก็ไอความความทรงจําบางอย่างซึ่งเราเราไม่คิดว่าเราจะจําได้แล้วเพราะมันมันมันโบราณมากมันมันเกิดขึ้นนานแล้วสมัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้เนี่ยเดนนี่ก็เขาก็ยอมรับ ก, ก็แล้วเรื่องไลฟ์รีวิวแต่ว่าคนไทยนีย่เราเราเราเราเราเข้าใจเรื่องนี้มานานแล้วก็คือเรื่องกรรมนิมิตนะอีกอันนึ่งคตนินี่ก็คือว่า จะไปไหนอ่ะจะจะไปไหนจะไปพบภูมิไหนเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีมนมิมิตรปรากฏออกมาอาจจะเป็นถ้ำอาจจะเป็นเมืองหรืออาจจะเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นเนอ่อสีเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นีอันนี้ฝรั่งเขาไม่ได้พูดไว้แต่ว่า ข อ, ของชาบพูดเรานี่เราเราจะพึเรื่องกตินี้ไม่คือว่าจะไปไหนจะไปสู่ภพภูมิไหนเนี่ยมันจะมีสัญญาณอาการบอกอันนี้สำคัญตรงงที่ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อเจอกรรมนิมิตและกตินิมิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาพซึ่งน่ากลัวจิตใจก็จะทุกข์ระสัพกระสายก็จะทุรนทุรายแล้วก็ในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อว่าถ้าตายตอนนั้นก็ จ, จะไปสู่ ทุ ก, กตินะอันนี้คนที่ไม่คนที่ไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจเรื่องภพภูมิข้างหน้านี้ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่เจอเจออาการหรือเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยจะจะมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เกิดกตินี้ไม่หรือกรรมนี้ไม่ที่ดีเนี่ยจิตใจก็จะสงบลงภาวะจิตก็จะเป็นเป็นภาวะจิตที่เป็นกุศล อันนี้ก็มันก็จะมาตอบคำถามว่าทำไมถึงต้องเตรียมตัวตายก็เพื่อเพื่อว่าเราจะได้รักษาจิตของเราให้ให้สงบไม่ทุรนทุรายเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนไอ้เงินนี่มันช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเวลาจะเกิดความทุกข์ความทุรนทุลาย กิดความกระสับกระส่ายเกิดความกลัวอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่เรื่องความเจ็บความปวดเรื่องความความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มียาที่จะช่วยได้ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยได้มากนะแต่สิ่งที่จะจะมีผลมากคือเรื่องของการฝึ ก, กจิตเอาไว้ถ้าเราฝึ ก, กจิตไว้ให้พร้อมดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรักษาจิตหรือควบคุมจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ทุกข์ทรมานหรือไม่ให้ไปถูกคร่องงำด้วยด้วยด้วยนิมิตซึ่งอาจจะไม่ดีเพราะคนเราเนี่ยเราก็ต้องยอมแล้ว่าคนเราไม่ว่าจะทาความดีมาแค่ไหนก็อาจจะเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดเอาไว้และสิ่งผิดพลาดเหล่านี้บางทีมันไม่ไม่แสดงออกมาเป็นนิมิตแต่มันเป็นแสดงออกมาจากความทรงจำระลึกได้ระลึกได้ว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ดี กับพ่อกับแม่กับลูกกับสามีภรรยากับเพื่อนไอ้สิ่งเหล่านี้เพียงแค่คิดนะมันก็ทุกข์ละหรือว่าความรู้สึกอะไรทรัพสมบัติความรู้สึกอลไรในต้นลักที่เราจะต้องพัดพลาจากเข้าไปก็ทําให้ทุกข์ได้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีหรื อ, อยาอะไรที่จะจะบำบัดได้นะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องฝึกเนี่ยถึงต้องฝึกเพราะว่า ตนนี้แหละที่เรียกว่าอัตเหตยร์โนโนาโทละตนเป็นที่พึ่งหองตนนะเงินนี่พึ่งพาไม่ได้เทคโนโลยีพึ่งพาไม่ได้หมอก็ไม่ใช่เป็นสารณะตัวเราทั้งที่จะฝึกได้ถ้าเราถ้าเราฝึกไว้ดีเนี่ยเราก็จะรู้วิธีที่จะปล่อยวางหรือว่าข้ามพ้นไอ้ความทรงจําที่ไม่ดีรวมทั้ง ปรากฏการความเจ็บปวดที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้นะตรงนี้ก็สําคัญเร า, า จ, จะไม่เชื่อเรื่องภพภูมิข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่มันอ น, นิสง์หรือประโยชน์ที่จะได้อย่างอย่างอย่างแน่นอนก็คือก็คือว่าเราเราไม่ทุกไปกับไปกับอาการความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกายหรือความกระสับกระส่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับจิตถ้าหากว่าเราไม่มีการการฝึกจิตไว้ดีพอ แต่ว่าช่วงช่วงจวนเจี๊ยนนี่ในเรื่องไอ้จำวันนีี้ก็อาจจะเป็นเหตุห น, นึ่งในการทำให้เรากระสับกรสายว่าเป็นภาพฝันขึ้นมาครัใช่แต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวความจําความระลึกได้ประสบการณ์ที่เราเคยหรือเป็นแค่เห็นหน้าเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเห็นหน้าเมียก็รู้สึกผิดนะไอ้แบบแบบความรู้สึกผิดเนี่ยมันบางอย่า ง, งเราเราคิดว่ามันมันมันไม่มีมันหมดไปแล้ว อ, ะอ่ะแต่พอใกล้ตายพวกนี้เนี่ยคือจิตนี่มัน มันชัดหรือว่ามันมัไปขุดขึ้นมาเพราะจิตเนี่ยเวลาคนใกล้ตายเนี่ยมันมันคุมยากตอนที่เรามีสติดีเราอาจจะกบมันเราจะปิดเอาไว้เราจะลืมมันเลือกจะกดเอาไว้ไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมหรือว่าเพราะแล้วมันมีสิ่งเพลิดเพลินมีการเที่ยวการเล่นมีงานมีการทําลืมหรือกดเอาไว้ได้แต่พออยู่ในอยู่ในเจ็บนอนอยู่เนี่ยนอนเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องเข้ามาละเออมันโผล่เข้ามา และจิตเนี่ยถ้าคือถ้าผูภาาา้ภาษาอย่างจิตภาษาอย่างจิตวิทยาสมัยใหม่จิตวิเคราะหเนี่ยก็คือว่ามันมันมีตัวมันมีตัวมันมีตัวที่ไปกดกดสิ่งไม่ดีเอาไว้กดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ที่ก็เรนะียกซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยก็คือความรู้สึกรู้ผิดรู้ดีรู้ชอบมันจะกดเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็กดเอาไว้แกล้งทําลืมนะทำอะไรไม่ดีไปก็ก็เลยก็เลยไม่รบกวนจิตใจ แต่พอจะบพอป่วยเนี่ยจิตพลังจิตมันอ่อนซูเปอร์อีโก้มันอ่อ น, น, ออนหรือว่าความรู้สึกถ้ า, าพูดภาษาพูดคือสติเนี่ยมันอ่อนเมื่อสติมันอ่อนเนี่ยไอ้พูดนี่มันมันก็ออกมาแล้วนะมันไม่ใช่อาออกมาออกมาหมดนะแต่ว่ามันมันต้องมีมันต้องมีออกมาบ้างเพราะเราไม่มีอะไรจะคิดนะ่ยอยู่อยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลนอนนอนเปล่ปาๆคือคนเราพอไม่มีอะไรคิดเนี่ยไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะของเก่าจออกมาคนที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็ไม่อ่านหนังสือไม่พูดไม่คุยกับใคร นะไม่รับรู้สิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวของเก่ามันจะมันจะคายออกมาอัตมาเนี่ยตอนเด็กๆสองสาขวบนี่ออกมาเลยใช่ไหมภาพสองสามใบองเออมันเรียกว่าสำลอกออกมามันสำลอกออกมาเหมือนกับก็มันก็วัวมันเคี้ยวเอื้องอะเคี้ยวเค้ยวไปเคี้ยวมาพอไม่มีอะไรกินมันก็เอาของเก่าออกมาใช่ไหมไอ้ตรงนี้อถ้ามันถ้าเราทําอะไรไม่ดีไว้โอ้มันออกมาแล้วมันไม่ไหวนะบางทีสู้ไม่ไหวจิตใจรับไม่ได้ งั้นถ้าเราถ้าเราเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวฝึกจิตเอาไว้แล้วก็รวมทั้งการการทําความดีนะการทําความดีการฝึกจิตและการพิจารณาความตายอยู่เสมอเพื่อเราเพื่อเราจะได้ไม่กลัวความตายไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เรารับมือกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในยามที่เราเราเราจิตใจอแอจิตใจผันแปร ى, จิตใจแปรปรวนเนี่ยเราจะรับมือได้ฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเปลียนตัวฝึกสังเกตแต่ แต่เรายังเป็นๆอย่างเนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะประปรปองไอ้ภาวะนี้ได้ดีขึ้นไม่ไม่ไม่หลงลรู้ตกไปอยู่เรื่องอาการที่เราเราติตมันปรุงแต่งมาจากเรื่องของสุจัญญานได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็แสด้วยกันเราก็สามารถที่จะน้อมจิตของเราไปสู่สู่ภาวะที่ดีขึ้นเช่นถ้าเราทําสมาธิเนจิตใจเราสงบแม้ว่ามันจะเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้ว หรือถ้าเราย้อมรับว่านี่มันเป็นนี่มันเป็นธรรมดาของชีวิตความเจ็บความป่วยความพัดพลาดเป็นธรรมดาของชีวิตเราก็ไม่ทุกไปกับมันเราไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเราก็ไม่ไม่กลัวกับมันเรายอมรับได้เราไม่เราไม่พยายามฝืนไม่พยายามสู้ไม่พยายามที่จะขัดขืนเพราะยิ่งขัดขืนยิ่งยิ่งยิ่งทุกข์แต่พอปล่อยไปแล้วนี่มันสบายนะมันก็ช่วยได้นะนะแล้วก็รวมทั้งการการที่เราเอ่อ พยายามมองว่าเอออันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คือยิ่งถ้าเราถ้าเรารู้รู้วิธีที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มันยิ่งดีเขึ้นไปใหญ่คือไม่ใช่แค่ว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแต่เห็นว่ามันเป็นธรรมะสอนใจเราว่าสังขารร่างกายนี่มันถึงเวลาเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะยึดจะจะยึดจะจ ะ, จะแบกเอาไว้ไม่ไม่ไหวแล้วก็ต้องถึงเวลาก็ต้องปล่อยเพราะรับใช้เรามามากแล้วแล้วนะเร า, เรา เราก็ต้องปล่อยให้เขาไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยตอนคิดแบบนี้ก็ทำให้เรายอามรับความความแปรปรวนของของของสังขารได้อย่างที่อาจารย์เตพูดว่ า, าถ้าเราสามารถมองเรื่องความตายเปรียจากมองเป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะว่าที่บอกว่าเราจะทาให้เราตายก่อนตายไปได้ทยัง ไ, ไงตายก่อนตายมีความหมายหลายอย่างนะาตายก่อนตายคือการ การมีชีวิตโดยโดยเปลี่ยนสมมติกบว่าเราเราตายไปแล้วก็คือว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องอาลัยแล้วนะเราพอใจในเราพอใจในชีวิตของเราแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องต้องต้องต้องดิ้นรนแสวงหาเราไม่มีความอาลัยนะนี่เรียกว่าเป็นความนี่เป็นเป็นเป็นความหมายแรกๆนะคือพร้อมที่จะตายตลอดเวลาเพราะเหมือนกับว่าฉันฉันได ฉันได้ได้ตายไปแล้วหรือว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เป็นวันเป็นกําไรของฉันแล้วใช่ไหมเพราะในอย่างตัวเองเนี่ยมันได้ตายในตอ6ตุลาแล้วใช่ไหมแต่พอที่เราลอมไม่ได้ก็ถือว่าไอ้ที่เหลือนี่คือกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตายเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าไม่เสียดายเพราะมันควรจะตายมืนเมื่อ30ปีมันแล้วคิดแบบนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นเตรียมถือว่าตายตายก่อนตายก็ได้ในความหมายพื้นๆนะแต่ความหมายที่ลึกไปกันนะคือว่า ตายจากตายจากความยึดถือในตัวตนอันนี้ยากหน่อยตายจากความยึดถือในตัวตนเนี่ยนะคือคนเรานี่คนเราเนี่ยจะมีความยึดมาสำคัญหมายว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ตลอดเวลานะและเวลาปวดเวลาเจ็บก็จะเกิดความสึกว่าฉันฉันปวดฉันเจ็บคือมีตัวฉันไปรับรู้ไปเป็นเจ้าของอาการเหล่านั้น เวลาของหายก็บอกของของฉันหายนาฬิกาฉันหายเงินฉันหายแต่ที่จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยอ้ น, นี้ไม่ใช่ของฉันเลยนะอย่างมากฉันก็เพียงแต่เอ า, เอามาเอามาดูแ ล, ลยืมใช้ชั่วคราวเป็นของธรรมชาติใช่ไหมใช่นะอันเนี้ยคือเรียกว่าความเป็นตัวกูกของกูเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะเผลอไปคิดว่า ไปยึดในเรื่องตัวกูของกูตลอดเวลานี่ของนี่นาฬิกาของฉันนี่หนังสือของฉันนี่ร่างกายของฉันนี่ตัวฉันแต่ว่าพอถ้าเกิดเราปล่อยวางจากความยึดถือในตัวตนนี้ได้ให้เลือให้ตระหนักว่าไอ้นี่มันสมมุติไม่ใช่ของจริงไอของฉันนี่มันสมมุติขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับขนมเนี่ยเราก็บอกนี่ของฉันแต่ว่ามดนี่มันไม่รับรู้ด้วย มันก็มาเห็นมันเห็นขนมมันก็มาขนไปทีละทีละทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่ามดมันถือว่าเป็นของธรรมชาตินะใช่ไหมคือคลิปแบบนี้มันก็จะเรียกว่าตายก่อนตายในความหมายที่ว่าละวางจากความยึดถือในตัวตนคือไม่มีตัวตนนะพูดแบบง่ายๆคือไม่มีตัวตนแต่ความหมายจริงคือละวางจากความยึดถือในตัวตนก็จะเรียกว่าเมื่อมีความเมื่อความตายเกิดขึ้นก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีไม่มีผู้ตายไม่มีฉันเป็นผู้ตาย ไอ้ตรงนี้ยากหน่อยนะแต่ว่ามันทําได้อยากจะรพูดถ้าบอกเนี่ยเวลามีดบาดเนี่ยบาดนิ้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามีดบาดชั้นเนี่ยเจ็บแต่พอเห็นว่าเออนนี่มันมีดบาดนิ้วนะมันเจ็บน้อยลงเพราะฉว่าตอนตอนเราป่วยมากหรือว่าจะโยนโนตายที่แต่เรามีส ต, ติตือนเองว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีปัวฉันที่เจ็บก็จะหายความเจ็บไปบ้างใช่คือถ้ารู้สึกว่าชันเจ็บชันเจ็บหรือว่ากูปวดกูปวดเนี่ยมัน มันเจ็บยิ่งกว่าเดิมพระเจ้าเปลี่ยนว่าเจอธนูสองดอกดอกแรกนี่มันปวดกายดอกที่สองนี่ปวดใจเพราะไปยึดถือว่านี่ฉันปวดนะ mm hmm. อัน น, น, นี้เป็นหลักซึ่งมันไม่ได้ใช้เฉพาะพระอรหันต์นะกับคนทั่วไปก็ใช้ได้นะครับก็คือว่าเอ่ออย่างที่อาจาพุทธะบอกเนี่ยถ้ามีดบาดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีดบาด น, นิ้วอย่าไปคิดว่ามีดบาดฉันนะให้เห็นว่ามีดบาด น, นิ้วคือคนเราพอเอาเอาตัวตนเข้าไปออกลั้นเนี่ยมันทุกข์เวลามีคนวิจารณ์เนี่ย ท, ทันทีที่รู้สึกว่าเขาวิจารฉันเขาดา่าฉันความีตัวฉันเข้ามารับคําด่านี่ทุกเลยนะแต่ว่าเมื่อเขาวิจารเนี่ยแทนที่เราจะเอาตัวฉันไปรับคาําด่าเรามาพิจารณาวเออที่เขาพูดนี่มันจริงไหมมันถูกต้องไหมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเลยนะมันเกิดปัญญามันไม่มีความทุกข์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ฉันต้องไปฉันหกห้อยคำถามสักหนสถานนะครับ เพียงแค่แป๊บวครับเดี๋ยวมันมีคำถามสำคัญที่เปต่อนี่นึงที่บางคนสนใจว่าช่วงที่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องจะไปต่อพวกภูมิไหนเนี่ยในเรื่องการในเรื่องหลักการเนี่ยว่าตรนี้ว่ยังไงครับคือพืชศาสนาเราก็เราก็เราก็เชื่อว่ามันมันมีชีวิตนี่มันมีความต่อเนื่องมันไม่ได้จบที่ที่เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันมีมันมีภูมิต่อจากนี้ไปความตายไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของ ของชีวิตแต่ว่ามันมีต่อจากนั้นไปแต่ไม่ใช่ตัวชั้นที่ไปเป็นไปเกิดใหม่ไม่ใช่นะบางทีเราไปเข้าใจแบบแบบแบบแบบแบบแครแบบฮินดูว่ามีตัวชั้นไปเกิดใหม่ไม่มีมันไม่มีไอ้ที่ไปเกิดใหม่มันก็เป็นเป็นเป็นของใหม่ไปแล้วแต่มีความสืบเนื่องอันนี้ถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าเราเราเร า, เราปลูกข้าวไว้เสร็จแล้วเราก็เก็บมเมล็ดข้าว เก็เมล็ดข้าวมาแล้วไปปลูกใหม่ไอ้ต้นเก่าตายไปใช่ไหมต้นใหม่ที่ปลูกจากเมล็ดข้าวก็เกิดขึ้นมาใหม่เราถามว่าต้นเก่านี่มันไปเกิดใหม่หรือเ่าต้นเก่าไม่ได้ไปเกิดใหม่ห ม, มันเป็นต้นใหม่แต่ว่ามันสืบเนื่องมาจากต้นเก่าคือมันอาศัยเมล็ดเมล็ดจากต้นเก่าเนี่ยความเรียกว่าถ้าไอ้การความสืบเนื่องคืนนินี้ต้นเก่าเมื่อคนในกอที่ตายไปแล้วอะ่ะมันก็ ไปเกิดเป็นนายคอแต่นายคอกับนายกอไม่ใช่คนเดียวกันแต่สืบเนื่องกันอันนี้เข้าใจอย่างนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเ ร, เราก็เชื่อมันมีพบพบใหม่ที่ต้องสืบเนื่องและตรงนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่อยู่ที่การกระทำํำอยู่ที่การกระทำของของเราในปัจจุบันใช่ไหมเมื่อกับต้นข้าวเนี่ยต้นต้นข้าวต้นใหม่เนี่ยมันจะมันจะมีอาการยังไงขึ้น อ, อยู่ว่าต้นเก่าเป็นยังไงต้นเก่าถ้าเกิดโดนเชื้อโรคโดน G M เข้าไป G M O เข้าไปใช่ไหม ไอ้ต้นไม้ก็ต้องโดนก็ต้องไป GMO ไปด้วยหรือว่าหรือไม่ก็มันมีเชื้อเชื้อติดติดโรคไปด้วยเพราฉนั้นไอ้ความเป็นไปหรือการกระทําพฤติกรรมของของเราในปัจจุบันก็มีผลต่ออันหมายที่จะเกิดขึ้นงั้นการกระทำเนี่ยสำคัญเรียกว่ากรรมและกรรกรรมตัวกําหนดสําคัญอันนึงก็คือก่อนตายเป็นตัวกําหนดอันหนึ่งคือก่อนตายเนี่ย มันจะมีกรรมสุดท้ายที่เราอาศัณกรรมคือกรรมเจียนตายคือกรรมก่อนใกล้าตายเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็สำหรับคนทั่วไปแล้วกรรมกรรมก่อนตายเนี่ยจะเป็นตัวตัวส่งผลอันแรกว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหนส่งอันแรกพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนมันกับว่าวัวเนี่ยที่มันถูกขังไว้ในคลองเนี่ยเมื่อเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยเมื่อเปิดประตูออกมาเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดก็จะออกมาก่อน ก Hui ็หมายความว่าคนที่กรรมการกระทําก่อนที่จะตายเนี่ยกรรมสุดท้ายเลยสท้ายสุดเนี่ยวาระิสุดท้ายวาระสุดท้ายมันจะไปส่งผลต่อภพภูมิที่จะเป็นตัวกําหนดภพภูมิข้างหน้าเลยอันแรกเลยเป็นตัวกําหนดอันแรกก็คือว่าถ้าท่านคิดเป็นทางที่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีจะไม่คใช่การกระทําในอดีตก่อนนั้นไม่มีผลไม่มีผลแต่ว่ามาทีหลังอันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปนะไม่ไม่ไม่รับกรณีคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือ ทำอนันตริยกรรมหรือคนที่ทําดีอย่างสูงสุดเนี่ยถ้าทำดีอามากๆเนี่ยอสัญนกรรมนี่มันมีความหมายน้อยแต่คนทั่วไปเนี่ยอสัญนกรรมคุอกรรมเตียนตายจะส่งผลก่อนนะงั้นอันนี้สำหรับคนที่เชื่อเรื่องเชื่อเรื่องภพภูมิข้างหน้าเนี่ยเขก็ต้องโดยเฉพาะชาวพุทธ ค, คนไทยสมัยก่อนก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะนั้นก่อนตายเนี่ยก็จะก็จะระมัดระวังไปพิเศษรวมทั้งการนิมนต์พระมามันนาทาง มามามาให้คิดคิดอะไรหนึ่งอรหันที่เขาเรียกว่าบอกอรหรนะันเพื่อที่ได้ไปสู่นิพพานเพราะคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าชีวิตที่ดีสุดคือคือชีวิตของชีวิตที่เข้าถึงเข้าสู่นิพพานคือพระอรหรัน mm hmm. แต่ว่าสมัยนี้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอาการที่เรายังทําจิตให้ประนีต ใ, ให้กุศลนี่ก็ยังสําคัญเพราะว่ามันทําให้ไม่ทุกข์ในขณะที่ยังป่วยอยู่ ส่วนข้างหน้าเป็นยังไงถ้ามีจริงก็ไป ด, ไ ด, ดีถ้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ผลได้ประโยชน์ จ, จากจากปัจจุบันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันมีเราก็ได้ประโยชน์2ต่อใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากแม้กระทั่งคนทำความดีบางทีก่อนจะตายเนี่ยไปเป็นนึกไปคิดไปอะไรถึงลูกหลานอะไรทรัพย์สมบัติอย่างในสม ร, รุธกาลนีภาพรูปหนึ่งเนี่ย ได้จีวรผืนใหม่มาคนสมัยก่อนเนี่ยจีวรเปนหายากได้มาก็ชอบแต่ไม่ทําได้ใช้ก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนในจีวรอตอนตายห่วงเรื่องหวงวหวงจีวรหรือมีอย่างที่อาจารย์สิงห์ทองพูดถึงอาจารย์ซองนี่ก็เป็นอาจารย์คนหมอมร า, าก็พูดถึงเรื่องอแม่ชีคนหนึ่งซึ่งไปทํามดตายตอนซักผ้าใช่ไหม สักจีวรแล้วก็ปรากฏว่าแม่ชีก็ตอนนั้นก็ป่วยป่วยด้วยเสร็จแล้วคงเป็นโรคหัวใจมันก็ตายในโลกก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจที่ไปทํามดตายใช่ไหมรู้สึกผิดปล่อยวางไม่ได้อาจารย์ชิ้ทนทองบอกว่าไอ้มดตัว น, นั้นแหะมันฉุดลงนรกไปเลยแต่ว่าอาจจะประเดียวประเดานนะเพราะว่าเพราะว่ากรรมที่ทําดีไว้เนี่ยก็ในสุขก็ส่งผลจนมันกระเพู้กนั้นน่ะ ก็เป็นเลงได้แค่เจวันพอตายก็ไปไปเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนชาวพุทธนะของคนไทยสมัยก่อนนะซึ่งมันก็มีคำพีรบรับองอยู่แต่ว่าในทางพุทธศาสนาที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าว่าในปัจจุบันชาติเนี่ยสำคัญแล้วก็การที่เราเราาักษาจิตไว้ให้ดีเตรียมตัวให้ดีเนี่ยมันมีผลต่อปัจจุบัน มันไม่มีผลต่อคนใกล้าตายแล้วไม่มีผลต่อคนที่เป็นญาติพี่น้องด้วยคือ <c oughs> ถ้าคนญาติพี่น้องเนี่ยเห็นคนตายเนี่ยตายอย่างสงบเนี่ยมีความสุขใช่ไหมมีความปิติถ้าน้องที่เขาตายอ่ะแต่ว่าเขาตายอย่างสงบแต่ถ้าเกิดเห็นเห็นคนรักของเราเนี่ยตายแบบทุรนทุรายเงี้ยมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาทุกนะญาติพี่น้องก็ทุกใช่หไหมแล้วก็ตายไปแล้วบางทีพี่น้องอยังทะเลาะกันเพียงพ่อเห็นเพียงพ่อรู้เพียงพ่อรู้สึกว่าเห็น คนรักของเราตายแบบทุกข์ทรมานมันก็มีผลต่อคนที่ยังอยู <gracias> ่แ <functions> ล้วก <car stories> ็ทะเลาะกันได้เหมือนกันก็การต้องไปฉันก่อนนะครับภูจ้ามาให้ถามก่อนนะต่เราเราตอพิธีกสุดท้ายกับ2ท่านนะครับตอนนี้พอเห็นภาพแล้วครับว่า